เท่านั้นการเฝ้าดูจิตไม่ใช่รูปแบบต่อไปครับไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องน้ำป้ายรถเมย์ราไม่มีใครทําหน้าที่นี้แทนเราได้เลยจ้าง ก, ก็ด้วยเงินเป็นหมืน่นเป็นล้านก็ทําไม่ได้ครับเพบอกว่าจ้างด้วยเงินเป็นเดือนละหมืน่นเดือนละล้านช่วดูความคิดในชั้นขีดทาไม่ได้อย่างนี้ก็ช่วยประคองเมื่อความคิดมันเกิดแล้วเท่า น, นั้นเองครับ น, นั้นการภาวนานั้นเป็น กิรอุตสาหาะเฉพาะตัวจริงๆเนี่ยกุญแจสำหรัขเรื่องนี้อยู่ที่บานประตูของความคิดครับเมื่อล็อกประตูความคิดถูกไขความลุ่มลึ ก, กจะเกิดหลังนั้นในพระคัมดียิงระบุเน้นว่าเมื่อยานกับวิ ญ, ญญาณพัดเทียมกันความลุ่มลึกจะปรากฏความลุ่มลึกคือประตูนั่นเองต่งนี้ความฉับไวในการเห็นความคิดเรายังไม่พอครับเรายัง เรายังใช้ความคิดเพื่อคิดถึงความคิดอยู่ถ้าคำอาจจะฟังแปลกประหลาดเราใช้ความคิดคิดถึงความคิดเมื่อกี้ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นผมมานั่งนึกอีกทีว่าเอ๊ะเมื่อกี้คิดถึงอะไรนะอย่างนี้ใช้ความคิดคิดถึงความคิดครับดังนั้นมันจึงไม่ทันครับไม่ทันการเราต้องปลุกตัวที่ระบบหนึ่งที่อยู่นอกความคิดจริงๆครับเหมือนทุ้มหินเจ็บด้วยบางครับ แต่ผมเจ็บนะความเจ็บมันมันอยู่นอกความคิดของผมผมจะคิดเรื่องอะไรก็ตามดแต่ว่าความเจ็บมันนี้ปรากฏจริงแต่ความเจ็บปรากฏเพราะผมไปหยิกที่จุดเฉพาะขึ้นมานะแต่แท้จริงเราต้องเล้าให้ความรู้สึกตัวตื่นทั้งระบบทั้งระบบให้มันตื่นขึ้นนะครับไม่ใช่ไปนั่งสะกดให้มันหลับเะั้นการปฏิบัติภาวนาวแบบสมถานั้นเป็นขั้นตอนที่มีปัญหามากๆนะครับ รัะะการทุกทำที่สุดลองวกย้อนไปสู่เรื่องราวเก่าๆประจตการเก่าๆตัดตลอดตำรานี่ยภาษา voke ลายพระองค์ก็ได้ปฏิบัติทำเลยครับองค์คริมานี้ไม่ได้ปฏิบัติเลยนฆ่าคนตลอดเวลาถือว่าการฆ่าชนิดปลิดวิญญาณเป็นการภาวนานครับจะเจอพระเจ้าทำไมถึงรู้เรื่องนี้ได้พายะองค์หนึ่งที่เป็นที่มาของ การมณิวาสิตรีนะครับซึ่งจากเรื่องจริงนะพทํารรมโอ๋ยไม่อได้ปฏิบัติอะไรครับได้ยินประโยชน์สองประโยชนเข้าถึงมันทันทีซึ่งสิ่งหน้าแปลกหน้าอัศจรรย์ยิ่งในพุทธศาสนาเราอยคิดว่าเรื่องจริงเป็นไปไม่ได้แต่เราควรจะคิดว่าช่างหน้าอัจรจริงเหมือนอาจารย์ลุมพลานบอกนะธรรมะของพระเจ้าช่วยมนุษย์ได้จริงช่างหน้าอัศจรรย์คนไม่รู้หนังสือคนไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับเข้าถึงได้เพราะการปฏิบัติรากฐานอยู่ในตัวเขา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 คือบอัวที่บานแล้วครับบัวที่ปลิ่นน้ําและบัวที่อยู่ใต้น้ําซึ่งทุกชนิดจะบาน <c oughs> พระเจ้าท่านมองมนุ้นมันบานได้ทุกคนแต่สําหรับท่านเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานท่านเลือกจะบัวเฉพาะที่ปลิ่นน้ำํำที่คนเหล่านั้นถ้าไม่ได้ยินเนี่เสียหายถ้าได้ยินจะบานในวันทุ่งเลยครับแล้นข้อที่จริงคือผู้เข้าถึงธรรมะมีโดยไม่รู้ตัวก็มีนะนี่เป็นคำจัดของพระเจ้าไม่ใช่ของผมนะมบอกว่าผู้ที่สราทธาเขจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม มีบุคคลมีรู้ธรรมะเองได้แต่ก็รู้ตามประษาของเขานะครับนี่คือความหวังของมนุษย์เชาติครับที่ว่าทุกคนรู้ธรรมะได้ถ้าไม่ประมาทต้องมีเงื่อนไขนะครับทางมีอยู่แต่ว่าทางเดินวกววนเหมือนกลางคืนด้วยแล้วมืดด้วยนะครับแสงล้ำลายด้วยถ้าผู้เดินทางตาบอดด้วยมันเลยมืดหลายชั้นมากครับคําว่าตาบอดในที่นี้หมายว่าเขาไม่ต้องการมัน สิ่งแรกจุดสําหรับชาวพุทคือต้องการอิสรภาพต้องการธรามะครับทำให้ต้องการหนึ่งทําไงก็ไม่ไปครับเพราะเจ้าตัวไม่ต้องการไม่ไมอยากเดินทางธรรมะของพระเจ้านั้นจริงอยู่นะครับถูกสังสอนจากพระโอษฐของท่านแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การถูกขาดวันนี้เท่านั้นนะครับว่าไปแล้วองค์ท่านกับตัวเองบุคคลประเพศเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้ว พระคดจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตามสิ่งนี้เป็นอยู่แล้วเท่ า, า, านั้นครับดังนั้นผมว่าสำหรับชาวพุทธแท้จริงย่อมมีกําลังใจใอย่างหลวงเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นสังคมอินเดียสังคมชมพูทวีตนั้นไร้วังในการสแสวงหาอย่างสเะปะสะปะไม่มีใครกล้าปฏิ ญ, ญ, ญาณตนว่าเป็นผู้รู้จริงๆมีคําถามอะไรอีกต่อครับ <C> e <ars> เรื่องอาจารย์ผมวเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤอันนี้มันเกิดไวอาจารย์ก็จับประเด็นที่ว่าใหความสําคัญกับปัญหาของชีวิตที่มีเวลาไปกับภายใต้ของการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวถึงตายและการเคลื่อนไหวที่เกิดของความคิดนั่นเอง อาคิตาลีลาแห่งชีวิตเหล่านี้นะครับก็ให้มีสติรู้ตัวสติหนะ้าโดยลักษณะนั้นก็หมายถึงลักษณะที่ระลึกได้ระลึกรู้ในอารมณ์ที่ปรากฏนะครับอาจจะเป็นอารมณ์อดีต ก, ก็ได้อารมณ์ปัจจุบันก็ได้ส่วนคําว่ารู้ตัวที่ใช้อยู่ในนั้นหมายถึงสัมปัตยัญญาพระเจ้าของเราสัมปัตยัญญาคืออะไรพิสูจนสัมปัตัญญาคือการรู้ตัว น, นี้ถูกนะครับสติสัมปัตัญญาที่มาคูาก่กันเรียกว่า ระ ล, ลึกรู้ระลึกรู้นในทางสัมผัสปัจจุบันที่สัมผัอย่าง น, นี้เขาเรียกว่าระลึกได้ครัะลึกได้แต่ยังไม่ระลึกรู้ระลึกรู้ได้แต่ยังไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วปกติเราคงจะกดคิดในดาเพราะคิดไปจนตายนะครคับท่านแข็งทึ่งกันเลยปัญหาจะไม่อยู่ว่าผู้เจ้าทรงสอนอย่างไรเมื่อห้ามไม่ได้จะมีแล้วผู้เจ้าทรงใส่มา เธอวิจุเธออย่าไปสร้างเป็นในอักขุตลวิศกก็คือคิดเป็นอะไรที่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นอักขุลถ้าไม่ได้ดูเรื่องราวที่อาจารย์พูดว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรก็ชเจ้าแต่ดูว่าเรามีความรู้สึกอะไรกับเรื่องราวแม้เรื่องราวจะเหมือนกันผมอาจจะดูแล้วผมเป็นกุศลก็ได้บางคนเป็นอักขุนก็ได้เรื่องราวไม่สําคัญในการรับรู้แต่เราต้องรู้ที่จิตของเราว่าเป็นกุศลหรืออกขุนที่มีต่อเรื่องราวนั้น เราพิจารณาแล้วก็ดูปัจจุบันนี้สว่ดูที่สิดของเรานั้นมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องราวหรือสิ่งที่เรารับรู้ไม่ใช่เรื่องาที่เป็นขจริงมีความรู้สึกเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรเมื่อได้แล้วแค่เป็นกุศลให้คิดได้ที่เป็นในแงกุศลแต่นั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นภไยในโลกที่จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขตามภาษาโลก ต, ตามภาษาแห่งประจิติวิชาถึงจัจธรรมนั้น ต้องหยุดคิดอย่างที่ว่านะคือหยุดคิดแต่ไม่ได้หยุดคิดในเรื่องที่ว่าเราจะต้องหยุดเลยเราถอยหลังอย่างนี้ทันทักษะถูกต้องเลทีเดียฮะเราได้เริ่มถอยหลังไปสูเหมือนกับภาวะก่อนเกิดคืนเด็กเรารับรู้แต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นเป็นพรามฉลาดของการรู้สึกที่จะหยุดการคิดหยุดยั้งความคิดทีเป็ น, นอคติอคติต่างๆที่ทําให้เราเครียดเราหยุดยั้งด้วยการรู้สึกตัวสุจติสัมปชัญญะเมื่อกี้จะบอกนะ เปนสัญญาอย่างลงในสภาวะที่เป็ น, นกาก็สึกเรากำลังทาอะไรอยู่นี่รู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวในจิตว่ามีจิตการเคลื่อนไหวของกระบวนการยานวิทยาทีากอาจารได้กล่าวเป็นยานวิทยานิสึกร้องรู้สึกแล้วรู้กระบวนการคิดแล้วก็มาหยุดตรงนี้แต่หยุดตรงนี้นี่แหละปัญหาสําคัญอยู่ว่ารู้สึกเราสูขขาค่ความจิตว่ามหายานเอาไปใช้ามนต้องคิดอย่างะไปกระก า, กาอะไรเป็นพุกธะตอนนั้นผมเลยายังไม่ใช่พุทธะท่านพายุยะนั่นเองก็เหมือนกัน ต้องการแสดงปัญหาพุเ้พเจ้าเห็นผู้เจ้าผู้เจ้ากับเธอสักแต่ว่าเห็นพรองลังเอ๋าทัศัศนย์อธิบายไว้ว่าจากรักดิ์ไว้เห็นนันคือจุดคิดจุดการรับรู้เกิดมาลมที่อันแรกจะมีะส่วนอภิสุทธอยู่ในสิ่งที่เห็นองค์ทนทยก์ก็ย้อนเข้ามาสู่ที่ศักแต่ว่าเห็นนะครับักแต่ว่าเห็นเชิดศักดอธิบาย ว, ว่าทอาจารย์ลำพังแต่กายยกอินญาณเท่านั้นคืจักรศูนย์าณคับอาจารย์ตัวไม่เห็น ก็เที่เราต้มายุนี่ยุดิไมิดว mm ่างไม่ยังไม่เป็นพุทธะเพราะนั่นตปการรู้ทางดิญญาณรู้การวิญญาที่มรู้ร้อนรู้หนาไม่คิดมันรู้วันร้อนอย่างเดกันตรงน้รับรู้ก็รู้ด้วยใจ้วิาณรู้พยาดญยารู้สัญญารูประเทที่สองคว่ารู้สัญญารูก็มามีความรู้คิดแตงแต่อันทิสามดิยาณรู้คปัญญารู เมื่ออย่างอยังดุคือว่ากายบบายังัลงใยให้รับรู้ถ้าสมบุกอย่างเราเนี่ยให้รับรู้จากเพียงว่าเพียงแต่เห็นเพียงแต่รับรู้เพียงแตรู้สึกนี่มันกายบบายังหลงใยเราก็สามารถจะกดปิดกดติดัองเราผมติดไปด้วยความรู้ทางกายยุทธิ์เพียงพอแล้วจะพายด้แต่ใ น, นทางพุทศาสนานั้นยังไม่พอครับไม่หยุดแล้วกลับมาคิดอีกครับคิดตรงไหนฮะคิดตรงที่จะดูจิดเป็นสติหลักฐาน คิดพิจารณาแต่ไม่ได้คิดแบบตุทธะนั่นไม่ได้คิดแบบพุทธคิดพิจารณาในสิ่งที่การังปรากฏคือพิจารณาสังเกตในสิ่งที่ปรากฏนั้นว่ามไม่ใช่ตอนไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเมื่อพิจารณาก็นายออกไปหาออกแล้วนะเฉยเลยครับ ต, ตอนนี้น ต, ตรงนี้ทุกท่านอยู่ตรงนี้ครับเรื่องไม่คิดอีกแล้วครับที่เราไปตั้นหาเพราะเราไปคิดในสิ่งที่ไม่ได้กประกฏในข่่นี้ไดคิดเรื่องราวเพราะฉะนั้นเราปรัชญาชีวิตเนี่ย สามารถจะใช้ปรัชญาชีวิตทางการคิดแล้วหยุดได้แต่นั่นยังเป็นความคิดนอกผูจจ้ศาสนาไม่ว่าจะใช้ปรัชญาอะไรต่างๆที่ขบวกนการญานวิญญาัิญาของาญาณวิญญาติหยุดคิดได้ยังไม่ใช่กองตั้มหมายที่ว่าเย อ, อยธรรมคือขำห้าจนที่คิดพิจารณากระเพื่อมที่ขำห้าไม่ได้คิดเรื่องจักรของจักรวาลของความลึกคิดที่ออกไปดังนอกจะหาประโยชน์ไม่ได้เดวลาถึงตองคิดกันแต่ว่าเวลาผูจจ้ศาสนานั้น คิดพิจารณาที่ฐานนาคที่หยุดคิดว่าฐานนาคในชีวิตนี้ไม่เที่ยงเป็นนักดาและเป็นของเน่าเหม็นไหลออกที่สุดของฐานนาคที่สุดนั่นแหะคือความสูญญิส่งคือสุญญะทเรื่องมาหยุดคิดตรงนี้พุทธะเเกิดตรงนี้จนมหายานั่นจะเป็นทุทธะตรนั้นก็เพียงแต่ว่าสามารถรักษาจิต ด, ด้วยการคือว่าไม่ต้องคิดแล้วมันต้องว่างลงมันว่างลงเพียงนั้นยังไม่สําเร็จพุทธะในขันตอนนี้ เพราะฉะั้นปัจจัชีวิตนี้มันก็มีสองขั้นตอนอย่างที่กล่าวนะฮะแต่ว่าใครจะเอาประโยชน์ตรงไหนก็อยู่ที่สติปัญญาแล้วว่าสามารถจะทําได้ตามกระบวนการ ท, าที่ปฏิบัติแนวปฏิบัติทางกุศาก็ให้ประโยชน์ตามที่ผมคิดว่าให้ประโยชน์ในสิงในลักษณะผ ม, มสบายนี่ผมก็เชื่อาจาเห็นข้งางนอกเป็นกองทุกมาอีกแล้วจากจากบุคคลมาเป็นไอ้ไม้อีกไอ้องแบบนีน้แต่แล้วก็ม า, ยาหยั่งลงพยัง่งลงนี่ก็ ป่อยเพราะป่อยก็เป็นเี่นนั้นเองผมงยิ่งได้ไม่ต้องพูดอะไรผมงยิ่งในใจของผมที่นั้นอ่ะคือความสำเร็จของเราอยู่ตรงนั้นคือยอมเห็นว่าร่างกายเป็นของอาจารยทุกฐานลักษณะตนอะไรํานองนั้นก็หยุดคิดตรงนี้ทรงหยุดคิดตรงนั้นก็ได้ประโยชน์แล้วก็ถ้าเรายังไม่อย่างในแบบนี้ก็ได้ประโยชน์แต่ว่านักปัญญาชีวิตอย่างนี้เขายังต้องคิดและยังต้องมีบฟกต่อไปแน่นอนครับยังค้าก็เดินกันอยู่ ตรงที่ว่าการเห็นที่สมบูรณ์นะครับมีความคิดแทรกอยู่ในนั้นด้วยทุกต่อนี่เป็นประเด็นใหญ่มากนะแต่ผมจะค้างประเด็นไว้พักครึ่งเวลานะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่ทือว่าการการเห็นที่ไม่สมบูรณ์นำไปสู่การรู้จากพุทธศาสนาอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกการเห็นที่สมบูรณ์นั่นเอง ที่จะนำไปสู่ปริยมรรคหรือผลหรืออะไรสุดท้านะครับั้างประเด็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลัน ท, ที่จริงเรามีความยุ่งยากกันมากครับโดยเรื่องของภาษาตัวหนังสือถ้อยคำอต่างๆดังนั้นคุอบาอาจารย์ข้างอดีผู้เปลื่อนปราดในเรื่องภาษา และธรรมะปฏิบัติยิ่งพยายามที่แสวงหาคํานิยามเพื่อให้ค่อยคํานั้นกระชับไม่ซัดสายนะแต่แล้วความพยายามแล้วแล้วเล่าเล่านั้นได้กลับกลายเป็นเชื้อสาย ข, ของความยุ่งยากขึ้นตามพ่วงของเวลาธรรมะยิ่งอธิบายมากเท่าไหร่ยิ่งสวยเท่านั้นนะครับยิ่งฟังมากเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติยากขึ้นเท่านั้น นี่คือข้อเท็จจริงที่นักปริยัติหรือผู้ที่ใส่ใจในทางธรรมพยายามแล้วลม้มล้มเหลวแล้วแล้วเล่าๆครับเพราะความพยายามที่จะคิดอะไรให้มันแตกหักกับการาเหมือนเอาน้ำมันเข้าราดกองฝฟครับซึ่งจะลุกโชดช่วมขึ้นแล้วก็ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นครับ าตองวิเคราะห์สองสิ่งนะครับสิ่งเป็นสิ่งดาดดาดด า, ดาง่ายๆแต่ยากที่จะสัมผัสสองสิ่งซึ่งเป็นเสมือนการกลางของศาสตร์แทบทุกขนะตั้งแต่วิชาพุทธิจิตวิทย า, าศาสนาและภูมิศาสตร์สองสิ่งนี้ก็คือเวลา ช่วงวัเ่เวลาในความหมายทางด้านจิตวิทยา น, นั้นก็คือเมื่อช่วงเวลาํำเนินไปจากเหตุการณ์หนึ่งสุบเหตุการ์หนึ่งเราใช้ภาษาเข้าไปอธิบายว่ามีเวลาปรากฏขึ้นเวลา เป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นเดือนเป็นปีแต่จริงๆเราไม่รู้มันหมายถึงอะไรกันแน่ครับแต่ผมจะถามโดยเจาะจงไปสุทปัจจุบันนี้เลยว่าคุณลงช่วยอธิบายว่าเวลามันคืออะไรแน่ชี้บ่งมาได้ไหมผมว่าทุกคนจะจําหน่อยไม่รู้เวลาคืออะไรครับแต่เรารู้ว่าความแก่สัญญาณบางอย่างปรากฏเช่นผมเราเหงอกเดี่ยวแรงที่เคยแข็งแรงผดถอย ไปตามการเวลาแต่เราไม่รู้เวลาคืออะไรครับนั้นเวลาก็ดีช่องว่างนี้เป็นสิ่งลี้ลับที่สุดดาบที่สุดเข้าใจลําบากที่สุดแต่ถ้ารู้จักมันแล้วก็จะรู้จักตัวเองที่สุด mm. เราพูดว่าเวลาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมะม่วงจากรสเปรี้ยวสีเขียวค่อยๆเหลืองแล้วรสหวานด้วยด้วยเวลาเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราทิ้งไว้แค่นั้นเองนะ แต่ผมจะถามย้อนอีกทีว่าใ น, นเมื่อเวลาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทีนี้มะม่วงคืออะไรดูจะตลกมากข้าเวกกว่า น, นั้นอีกนะเราจะตรงไหนเป็นมะม่วงเพราะสีของมันเปลี่ยนตลอดลวันมันเดินทางตลอดเวลาเดินทางควบคู่ ก, กับเวลานั่นเองครับแล้วตรงไหนเรียกมะม่วงตอนนี้มันเปรี้ยวเขียวหรือตอนหาวหรือตอนสุกละหวาน จากสุขละหวานเป็นเมล็ดงอกงอกขึ้นลำต้นใหม่ตรงไหนคืนมอม่ม่วงใน่สุดเรามาถึงจุดที่เรียกว่าพูดไม่ออกบอกไม่ได้นี่ก็ใช้คำจริงๆที่ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ได้ที่สาพราะก็เรียกอัปยากริตครับถ้าไปศึกษาค้นค้าดูเฉพาะว่าวันที่พระเจ้าเข้าถึงพระโพธนนะิญาณท่านไปเิญหน้ากับอัปยากตาธรรม คือเข้าถึงคำพูดไม่ออกบอกไม่ได้สิ้นสุดของภาษาดังที่ผมเริ่มต้นไว้แต่เดิมเมื่อเริ่มบรรยายวันนี้นะครับว่าภาษาเป็นประสิทธิภาพอันสูงยิ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพเป็นรากฐานการสร้างสรรค์าอารยธรรมเป็นสื่อทําให้คนรู้จักเข้าใจกันในมิติต่างๆแต่แล้วอุปสรรคร้ายแรงที่หลุดก็ตัวภาษานั่นเองมันกำบังเอา และภาษาที่เผื่อคือภาษาที่แตกตัวไปมากจนในในสุดเรารู้สึกงงและเราต้องงงด้วยเนี่ยครับว่าพทธเจ้าท่านหมายถึงอะไรกันแน่เมื่อท่านพูดเราพระนิพพานเราคิดว่าน่าจะเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์อะไรสักอย่างดังนั้นเราคาดคิดด้วยภาษาอันอลังการของเราไปเรื่อยจนกว่าเนะครับ ภาษาจะถูกตัดคล อ, องคำพูดลงไม่ใช่ถูกตัดคลองเนื่องจากเราถูกตบหน้านะก็พูดอะไรไม่ออกหรือถูกบีบคอด้วยท่อย่างนั้นนะครับต้องสิ้นสุดลงด้วยตัวของมันเองมันเหมือนเทียนซึ่งหมดน้ำมันตะเกียงซึ่งหมดน้ำมันนะหรือรถซึ่งวิ่งด้วยแรงเฉื่อยจนกระทั่งมันหยุดด้วยตัวนเองไม่มีแรงกระทกที่่การหยุดจึงจะเรื่อสมบูรณ์ต้องเป็นเองครับแต่ทุกขณะ ทุกขนาจิตเราคิดเหมือนมีรถดวนขบวนยาวยยอยี่ดังนั้นความคิดภาษาก็บดบงังสภาวะดั้งเดิมหมดสิ้นครับเรานึกถึงจิตเด็กๆของเราไม่ได้เลยแต่เรารู้สึกประพิมพ์ปราว่าตอนเด็กดีกว่านี้มันแปลกนะครับตรงที่ว่าคนส่วนอยญ่จะรู้สึกคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ไปถามผู้เช่าผู้แก่ดูเขาบอกว่าแต่ก่อนบ้านเมืองดีกว่านี้พูดจงละหมดนะครับแล้วก็ถึงคนอยู่ในกรุงเทพบอกตอนเด็กๆเราสึกดีกว่านี้หลากว่าความดีมันอยู่ในอดีตนะครับเราพยายามนึกหวนนึกตอนเราเป็นเด็กแย่งขนมกับพี่หรือกับน้องถูกพี่แต่ว่างเขากว็บ้างร้งองไห้น้ำตายล้ไม่ทันหมาตอกเกลือเยอะกว่าเลาะล่ะ เราขล่องอารมณ์น้อยและติดยึดน้อยมากครับเพราะเราพูดไม่เป็นภาษาเรามีใช้น้อยและจากัดมากในหมู่คนบ้าทั้งหลายเราลองไปคุยดูนะครับเขามีภาษาความรู้สึกที่แรงกล้ามากเราก็พูดไม่ได้เ็ายกมือทันรักคุณนะแล้วเวลามีอารมณ์เขาจะสัมปัดแรงธรรมชาติชดเชยให้ผมไม่ได้บอกว่าให้เราทำบ่า มีพระภิกสุสงในสมัยพุทธกาลเข้าจะติดต่อคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเธอยังคิดอยู่ชื่อว่ายังตามอยู่ mm. เขาก็พยายามหยุดความคิดหยุดคําพูดสมาทานไม่พูดกันเต็มภาษาเลยเนื่อพระเจ้าไปถามว่าเธอปฏิบัติอะไรกันเขาบอกว่าสมาทานไม่พูดท่านนำนะท่านมนามเธอไปเอาวัดปฏิบัติตพว่เดียวถีมาปฏิบัติทํำไม <laughs> พุทธศาสนาเรามีองค์อริยมรรตสัมมาวาจาคือพูดด้วยสติ พูดด้วยความรู้ตัวพูดคําศัพย์คําซื่อการพูดคําศัพท์คําซื่อพูดภาษาอเป็นการภาวนาครับแต่แล้ววันวันหนึ่งหนึ่งเราสูญสิ้นไปกับคําพูดซึ่งผมอยากใช้คำอะไรสาระฮครับกายของเราสูญเสียไปกับการทําอะไรแข็งแขงน่าขมข้ายกไปจับระบําลำฟ้อนไปเต้นไปสารพัดครับกายวาจาของเราเหมือนกันจิตของเราตเตลิดเปิดเบิงไปตามที่เราอยากให้มันคิดนึกอะไร เราไม่สารวมทวารทั้งสามนี้เข้ามาสารวมคือการตัดกระแสไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคกลวิธีใดก็ตามที่ทำให้วิจตกวิจารณ์ระงับลงไม่ว่าโดยการเข้าฌานไม่ว่าโดยการเจริญรอยังไงก็ได้ครับเทคนิคนั้นก็คือเมื่อมีการสารวมแล้วมันจะมาประพิมพ์ประพายต่อจิต ด, ดั้งเดิมของเรา ผมไม่ได้บอกว่าจิตเดิมนั้นยังอยู่ตลอดเวลาทรงอยู่ช่วง น, นีน้ในลอนดอ น, นไม่ได้พูดอย่างนั้นนะสิ่งที่ผมกําลังจะเน้นก็คือว่าคําพูดความคิดไม่อาจนมเราสู่สัจจะได้ครับเพราะสัจธรรมของธรรมชาตินั้นอยู่นอกความคิดอยู่นอกภาษาที่เราพูดภาษาเป็นตะข่ายของขอ ง, ของคำยามครับเมื่อผมเรียกต้นนิ้วมะพร้าวที่จริงมันไม่ได้จิ้งมะพร้าวเลยครับแล้วมันอาจจะเป็น ชื่ออะไรก็ได้ a b c d ก ข, ข, ของนะแต่เมื่อผมมันมหยัดเป็นภาษาไทยว่ามะพร้าวแต่ผมสังเกตรูปลักษ์ของมันแล้วมันไม่เหมือนอีกต้นหนึ่งซึ่งผมจำเป็นต้องเรียกว่าตาลดังนั้นเดี๋ยวนี้ภาษาผมได้แยกต้นไม้สองอย่างออกจากกาันโดยสิ้นเชิงเลยทั้งโดยความจริงนี่มันงอกบนดินเดียวกันนะเ <c oughs> กลือแร่ธาตุเดียวกันรูปลักษ์ภายนอกแต่ทั้นที่ต่างกัน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 เป็นตัวตัวชันน่ยถ้าเรียกให้ถูกใกล้เฉพาะจริงเรียกนี่ไม่ใช่ผมครั้งหนึ่งมีคนถามผมแต่เขาก็จะปิดเมื่อผมตอบเขาคิดว่าผมดีหยวนเขาเขาถามว่าทำไมท่านบวชจั้งนานจึงสิกผมบอกไม่รู้ผมไม่เคยบวชเรื่องนั้นไปถามคุณโกวิทย์เขาเ็โกรธผมมาแต่ผมพูดจริงนะผมตอบจริงว่า ม, มันความรู้สึก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 ความนึกความจึกเงียบลงถ้าทำโดยดีสมถะเป็นสิ่งชั่วคราวครับเหมือนที่ครูของพุะเจ้าสององค์นั้นท่านทำความเงียบเนี่ยเหมือนที่ใช้อากาศอาการสานันจาจตนะเพ่งอวกาศเอาหลักที่สำคัญอันหนึ่งเเพ่งอวกาศแล้วอากาศก็เป็นมโนภาพครอบงกรมทั่งประกาศตนวเป็นอรหรันนะห้ระพุทธเจ้าจะบอกนี่เป็นไม่ได้นี่ไม่ใช่ ก็ยังกดทับอยู่ยังไม่มีเสรีภาพยังไม่มีไม่มีวิมุตต์หลุดพ้นเลยทุกทวนใหม่นะครับมะม่วงที่ผมชอบธบายเรื่องม่วงไม่ไม่ได้ชอบกินมะม่วงนะบทสนทนาเรื่องมะม่วงนี่แหละทําให้ลังกาทั้งประเทศกลายเมืองพุทธเมื่อพระอรหันต์ที่ชื่อมาหินพระเดินทางแล้วสนทนากับพระราชาเรื่องมะม่วงว่าตรงไหนคือมะม่วงนในสุดก็เหมือนกว่าตรงไหนเป็นลรา เป็นตัวเราตัวตวนของเราดัง น, ะงนั้นเมื่อตรงไหนไ ม, ไม่ไม่อาจชี้ชัดเลยว่าเป็นตัวตวนของเราใครทุกทรั้งนะแต่ทุกครั้งที่เราปวดฟันเราก็เสนอหน้ากันไปว่าฟันชั้นกำลังปวดขอโทษนะครับอธิบายอาจจะเลอะเทอะไปหน่อยตรง ว, ว่าเมื่อเราอาเจียนออกมาโอ้ก็เรายังบอกอาเจียนนของทั้นเลยครับมันมันตลกม า, มากๆเลยนะครับ มันมันประหลาดตรงนี้ครับน้องพิเคราะห์เข้าสู่เมื่อกี้พนฒนากับท่านผู้ร่วมรายการในเรื่องวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นตัวกำกับเป็นนายโรงที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้จักตัวนี้เราจะพลัดจากทางของพุทธศาสนาไปทันทีเช่นถือวิญญาณเพียงเป็นตัวตนอยู่คําฟาคําบินเป็นสัตตะทิศวิญญาณนั่นแหละเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันจบซึ่งจําละครภาพยนต์เรื่องลิตเติลบุ๊ด้าได้นะครับว่าเมื่อเจ้าชาไปเห็น คนเกิดค น, ค, นคนตายแล้วก็ไม่เป็นตัวงตัวเองแล้วครับก็มาต่อว่าบิดาว่าทําไมปกปิดความจริงอย่างนี้ไว้ตั้งนานไม่ให้ท่านรู้ว่าคนมันต้องตายด้วยพระบิดาก็บอกว่าไม่มีใครรอดจากกนณีลูกอะมนุษย์เราเกิดแล้วเกิดดีอย่างนี้ไม่มีวันไปไหนนี่คือลัทธิที่เรียกว่าปฏิตะพิ ต, ต, ติหรือสังเกตเพื่ทอร์านาลิจมัน เพราะว่าเราไม่ต้องปฏิบัติอะไรเราหมุนวนอยู่อย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดอีกเกิดที่เกิตายอีกคันซึ่งพระเจ้าถือนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ภาวะที่จำยอมดังนั้นต้งบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันที่จะจัดการกับคำสาบแช่งอันนี้ให้ได้จงได้คำสาบแช่งไม่ได้เกิดในธรรมชาติครับมนุษย์ตั้งทฤษฎีขึ้นเองภาษาเป็นทั้งหนึ่งเลยทั้งหมดครับดูคข้าวเป็นเรื่องเล็ก คำพูดคนบางคนทําให้คนหนึ่งฆ่าตัวตายได้เลยพูดเข้าพูดเข้าดังนั้นก็ทนไม่ไหวเลยต้องตายเลยครับดูอิทธิฤิ์ของมันให้ดีนะครับดังนั้นในทางกลับกันในทางแง่บวกบุงคนบางคลคิดว่าฉันมีความสุขเขาก็มีความสุขจริงจะเป็นความสุขเขาเสรสร้างขึ้นพุทธศาสนาไม่ได้สนับสนุนการเสรสร้างขึ้นอุปโลกขึ้นสัจาะไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างด้วยคําพูดหรือภาษาได้ครับแล้วก็ ถ้าขืนทำกลายเป็นทุกข์โทษใหญ่เลยสินะ่งที่สาคัญก็คือการรื้อถอนเพิกถอนครองความคิดและคำพูดเมื่อผมใช้คำพิษคำพูดอันเดียวกันนะพราะถ้าไม่มีคำพูดความคิดก็ไม่มีรเราดูในจิตใจมันจะเงียบไม่ใช่มันยังเงียบเฉพาะผู้ภาวนาแล้วนะทุกคนเป็นอย่างนั้นครับลองดูก็ไม่ในจิตใจอย่างนี้ครับ เห็นก็ไในจิตในใจแต่ทำมาดูกับเห็นที่ต่างกันผมอย่างอุปมาเล็กน้อยนะครับในการดูบางครั้งไม่มีการเห็นแต่ถ้าเห็นดูก็รวมอยู่ในนั้นสมมติท่านนั่งอยู่บนหน้าผาหุบเหวใหญ่นะครับมองลงไปในหุบผานั้นเป็นป่าไม้หนาทึบคนที่เห็นคลุมคุมไปทั้งหน้าผานั้นเรียกการเห็นแบบ คนยากจะให้พวกเราหลังพ а โนรามาแบบเต็มเหยียดนแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ม่ได้เห็นต้นไม้ครับแต่เห็นกว้างๆและการเห็นกว้างๆนี่สําคัญมากเพราะเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดค้อมันจะเห็นทันทีครับแต่ถ้าการจ้องดูตัวหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดอยู่อีกห้าต้นข้อในถอนไม่ทันครับจิตของมนุษย์เราแห้งติดอารมณ์ในตลอดเวลารั่วไรลจิตเท่นั้น ควาติดของที่เรียวบุตรชนคนธรรมดาทั่วไปอย่งเงี้ยพอนั่งสงบพอนิมิตเกิดติดทันทีเลยครับฝังใจแล้วเล่ า, ลาประสบการณ์นั้นเป็นยี3สามิปีเลยทั้งๆทำไม่ได้แล้วครับทั้งๆเป็นประสบการณ์ที่เกิดได้เดียงแล้วก็ทําไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้ตารวจว่ามันส่งผลดีหรือผลร้ายแต่จะปิดยึด